ม, มุนเพื่อนพิสุสมเนมทุกทุกคนครับตั้งใจฟังแล้วก็จเจริญพรญาติโยมทุกทุกคนตั้งใจฟังเพื่อจดจำนำเอาไปใส่หรือไปปฏิบัติประจำวันในชีวิตของเราการปฏิบัติธรรมะ นิพการเจริญธรรมะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเราทุกๆคนครับวันนี้เป็นวันขัางคายที่ยี่ิดแล้วก็แลมสิเ็ค่ำเดือนแสง <c oughs> ที่เรามีโอกาสมีเวลาที่จะพูด วิธีปฏิบัติธรรมะให้พวกเราได้ฟังได้เข้าใจตามตัวเองที่ได้ทำมาโดยวิธีใดก็จะนำมาเราให้ฟังที่มันเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์นั้นต้คอยฟังแล้วก่อนํำไปทดลองดู การปฏิบัติธรรมะวิธีที่เรากำลังฝึกฝนอบรมอยู่ในขณะนี้นั้นมันทำให้เกิดปัญญาแต่ปัญญานั้นมันมีนมสองอย่างด้วยกันคือปัญญาสนิดหนึ่งทำแล้วมันรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริง อันนั้น เ, เนีเป็นปัญญาของวิปัสนารู้แจ้งถึงจริงตามควาเป็นจริงแล้วปัญญาอีกสนิดหนึ่งนั้นลู้แล้วหลงลืมจดจําไม่ได้นั้นเนี่ยเป็นปัญญาของทะวิชาเป็นปัญญาของความไม่แน่นอน หรือเป็นปัญญาแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ดังนั้นการปฏิบัติธรรมะวิธีนี้จึงมีทั้งดีและมีทั้งไม่ดีมีทั้งดีมีทั้งผิดให้เราเข้าใจตัวอย่าหลงตนอย่าลืมตัวดังนั้นที่ทำนี้บางคนว่าไม่มีในตำร า, าหามาทำ นันก็จริงอยู่เช่นเดียวกันเพราะบุคคลผู้เช่นนั้นยังไม่เคยรู้ยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยได้ประสบพอกับสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าของเราท่านสอนให้เรามีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่คือหนึ่งยืนสองเดินสามนัง่งสี่นอนเรียกว่าอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ เท่านั้นคนยังบ่ไม่พอท่านยังสอนให้มีสติเข้าไปกับมุขรู้ในอิเละบุด ย, ย้อยผู้เหยียดเคลื่อนไหวโดยวทิทธิโดยก็ให้รู้ท่านว่าอย่างนั้นแต่เรามาทําเป็นจังหวะเพราะคนมันไม่เหมือนกันระดับสติปัญญาทําเป็นจังหวะพลิกมือขึ้นให้รู้ฝึกตัว รวมมือลงให้รู้สึกตัวยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังให้รู้สึกตัวมีจังหวะทํารว่องเรียบบุด ย, ย้อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้รู้สึกตัวแต่ไม่ให้นั่งนิ่งนึ่งวิธีนี้อันนั่งนิ่งนิ่งนั่ น, นเรียกว่าสงบควรสงบก็มีอยู่สองอย่างด้วยกัน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 บางทีมันววงกงวนเราต้องฝืนหยาดทำไปตามมันให้รู้สึกตัวเอียงซ้ายเอียงขวาให้รู้อ้มเงยให้รู้ให้เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่ให้นั่งนิ่งๆมันเป็นอย่างนี้เรื่องทำให้รู้สึกจบความรู้สึกตัวโจนี่แหละเรื่องสมาธิ อันสมาธิก็คือคนตั้งใจมั่นนั่นเองไม่ใช่สมาธิไปนั่งนิ่งๆอันนี้สมาธิคือควมรู้สึกตัวในการเคลื่อนไหวทำลงไปแล้วมันให้เกิดปัญญาติดตามอาการเคลื่อนไหวนั่นแหละรู้ขึ้นมาภายในใจิตใจรู้ตัวเองคือรู้รู้รู้รู้รู้นามรู้นามมันอยู่ที่อยู่ที่ตัวเรานี่เอง รูปทำนามทำรูปอันนี้หลยทําการทํางานแล้วก็พูดคิดก็เป็นรูปอันนี้เลย เ, เดี๋ยวรูปทำนามทำรูปโลกนามโลกรูปอันนี้เราเกิดขึ้นมาแล้วก็เจ็บหัวปวดท้องติดใจก็ไม่ค่อยสบายเดี๋ยว่โรคโล ก, โลกนามโลกรูปโลกนามโลกนี่มีสองอย่างด้วยกันรูปนางเมื่อหนังมี ไม่เป็นโรคหรือเป็นโรคถ้าเป็นโรค ก, ก็ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลตรวจเต็มร่างกายหมอที่โรงพยาบาลจะให้ยารักษาบางอย่างก็หายบางอย่างก็ไม่หายถึงกับตายก็มีโรคทางจิตใจแบบนี้หมอทางโรงพยาบาลรักษาไม่ได้จำเป็นต้องเชื่อฟังคําสอนของพระพุทธเจ้า คือปฏิบัติตัวเองให้รู้จักการเคลื่อนไหวนี่เองเมื่อรู้จักการเคลื่อนไหวคือสัญญาต่นั้นเหละยมันรู้จิตใจมันนึกมันคิดมันชอบใจไม่ชอบใจเรียก ว, วาจิตจิญงานเป็นโลกรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงอย่างนี้มันก็เลยรู้ว่าทุกขังเพราะมันติดอยู่กับเมื่อกับหนัง เอาออกไม่ได้เพราะมีการเคลื่อนไหวหยุดการเคลื่อนไหวเมื่อใดก็เรียกว่าสิ้นลมหายใจเมื่อนั้นอันนี้จังคือมันไม่เทียงแท้ถาวรจะเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้จะนั่งนิ่งๆไม่ได้มันก็มีการเคลื่อนไหวคิดตาบ้างหายใจบ้างจิตใจมันนึกมันคิดบ้างไม่เคยเห็นจิตใจตัวเองมึกคิดเลย อนัตตาบังคับบรรชาไม่ให้มันเคลื่อนไม่ให้มันไหวไม่ได้ไม่ให้มันคิดตาไม่ให้มันหายใจไม่ให้มันนึกมันคิดไม่ได้มันจึงเต็มไปตามหน้าที่ของมันเรียกว่าอนัตตาแห่งธรรมื่อจากอันนี้ด้วยว่าเป็นปัญญาญาณรู้แจ้งใหนจริงตามความเป็นจริงที่พระพุทธสอนเอาไว้นั้นเมื่อรู้อันนี้แล้วก็รู้สมมติ สมมุติอะไรรู้ให้คุบให้จบให้ทั่วสมมติบาปบุญผีเทวดานรกสวรรค์นิพพานขอตา่างหรือศาสนาพุทธศาสนาขอตา่างสิ่งที่สมมุติขึ้นมานั้นให้รู้หรืออัตราเงินทองเชื่อผ้าให้รู้มันมีจริง โดยสมมุติจึงโดยปรมัดจึงโดยอัดจึงโดยอายะบุคคลจึงมีสมมุติแล้วก็บัญญัติขึ้นมาเป็นตัวบทกฎหมายที่ว่าสมมุติบัญญัติปรมัดบัญญัติปรมัดจึงโดยสมมุติก็มีจึงโดยปรมัดก็มีอัถะบัญญัติจึงโดยอัยดก็บบญญ ม, ก ม, ม, ม, ม, ม, มีอัฐะแปลว่าลึกลับซ้อนอันนี้ว่าบัญญัติ เมื่อเรารู้แจ้งเห็นจริงเมื่องรู้ตามแนวของพระเจ้าเย่งภาริยบัญญัติรู้อันนี้แล้วก็รู้ศาสนารู้พุทธศาสนาศาสนาเราเคยได้ยินได้ฟังกันว่าแปลว่าคําสั่งสอนของท่านครูใครรองเรื่องอะไดคนนำเรื่องนั้นมาสอนเรียกว่าศาสนาศาสนาจึงมีมากมีศาสนาผี ศาสนาพราหมศาสนาเทวดาเมื่อศาสนาอะไรก็ตามเนี่ยเราเชื่อฟังตามตามกันมาแต่ศาสนานั้นสอนให้ละตัวทำดีพุทธศาสนานั้นคือพุทธะแปลผู้รู้ทำเห็นทำเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยทำรู้อยู่โดยทำทำอยู่โดยทำพูดอยู่โดยทำคิดอยู่โดยทำหย่ารู้ทำเห็นทำ พอใจอย่างนี้รียพุทธศาสนาปัญญาอันนี้ก็มีอยู่ในทุกคนรู้แล้วไม่ต้องหลงไม่ต้องหืงบาปก็คือมืดนั่นเองบาปก็คือโง่นั่นเองใครพูดอะไรไม่รู้จริงเสื้อฟังคําพูดของคนนั้นของคนนี้ไม่เสื้อตัวเองดูดังไง ดุลก็คือไม่มีพ่เพราะรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงใครจะพูดเรื่องอะไรเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเพราะเรารู้ดีเห็นดีเข้าใจดีตามแนวคาสอนของพวกเจ้าอันนี้เรียอวจบภาคตนเรื่องรู้เรื่องขันห้ารู้รู้เรื่องรูปอันนี้เป็นเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นยังไม่ได้พู่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 พอดีหมูมันตื่นแมวจับมันก็วิ่งไปเลยแมวไม่ยอมวางหมูมันก็ติดหมูไปเมื่อแล้วมันก็วางบางครัง้งบางคราวมันก็ไปคิดบางครัง้งบางคราวมันคิ ด, คดแล้วก็เข้าไปในความคิดอันนี้เรียกว่าเป็นอุปสรรคมันติดความคิดมันออกจากความคิดไม่ได้ไม่ใช่เห็นคิดอีไยมันรู้คิดเรียกปัญญาลูคิด ไม่ใช่เป็นปัญญาเห็นคิดอันนี้แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ตอนแก้ปัญหาตัวเองได้น็คือรู้เรื่องรูกนามลูกรำนามทำลูกโลกนามโลกแล้วก็ลูกทุกขังลูกอนิจจังลูอนัตตารูกสมมติลูกศาสนาลูกพุทธศาสนาลูกบาปลูกบุญลูกอันนี้แก้ปัญหาตัวเองได้แต่ส่วนรู้ มอกตัวไปรูผีรูเทวดารูอันนั้นอันนี้แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เพราะมันเข้าไปในความคิดมันฟุ้งแต่งขึ้นมานั้นเร่ว่าพอใจในอารมณ์รกว่าอารมณ์ดีเราพอใจอารมณ์ไม่ดีเราไม่พอใจไม่ชอบเป็นอย่างนั้นวิธีที่จะแก้มันต้องทำจังหวะให้แรง ท้ายพลิกหัวพลิกมือข้อมือเอียงซ้ายเอียงขวาอ้อมงอพลิกตาอ้าปากแก่ใจยังดูไม่ได้พอดีมันคิดขึ้นมาเราทําจังหวะกํามือเหยียดมือขึ้นมาหลายครั้งหลายผลเมื่อรู้สึกแล้วข่ควมคิดมันหยุดเมื่อรู้สึกแล้วข่ควมคิดมันหยุดเมื่อไม่รู้สึกหมือรู้สึกเล่น้อยข่คมคิดมันลากไป ยังทำให้แรงเมื่อมันเป็นเช่นนี้มันหยุดได้เมื่อมันหยุดความค็ดได้แล้วก็คิดดูว่าพระพุทธสอนเรื่องทุกสมุทัยในโรกนะ้ทุกต้องทำให้รู้ท่น่าอ่านี้คือตัวเคลื่อนตจวไหวนั่นเองตัวอิเดียบท น, นั่นเอยท่านสอนให้เรารู้มันเป็นตัวทุกโหลดทุกข์หังอดคนไม่ไหว มันเคลื่อนไหวอยู่น่ะต้องดูมันให้มันรู้มันเป็นตัวคุบมันเป็นสภาพสภาวะทุกข์อันิี้จังมันเป็นอยู่นั้นถึงจะรู้มันก็เปอยู่อย่างนั้นไม่รู้มันก็เป็นอยู่นั้นเรียกว่าของแท้ของจริงเป็นของเดิมแท้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แตกผันจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้มันก็ไม่อยู่อย่างนั้นเรียกว่าทุกขังอันนีจังอนัตตา มีหนวดอมจริ่แท้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันรู้ตามกฎของธรรมชาติของมันจริงๆใครจะพูดยังไงก็เป็นเรื่องของคนนั้นเรื่องของคนนี้ตัวของผมตัวของอาตมารู้อย่างนี้จึงจะพูดอย่างนี้หนวดนอมเสียสละทซับเพราะรักษาอาวัยวะนอมเสียสลับอวัยวะเพรารักษาชีวิตนอมเสียกระทั่งชีวิตเพาะรักษาของจริง ไม่เสื้อใครเื้อตัวเองตัวพึ่งตัวเองได้ยก ม, มือไหว้ตัวเองได้ขั้นนี้แบบ น, นี้เมื่อรู้ควมคิดแล้วควมคิดมันถูกหยุดเมื่อยึดควมคิดได้แล้วก็ดูควมคิดมันคิดมาขอรู้แต่อย่าไปเท่นกับผวมคิดตอนนี้ให้ระวังให้ดีเพราะว่า มันจกเกิดที่เจียดบ้างขยันบ้างที่เจียดบ้างขยันบ้างเดี๋ยวก็พอใจเบีอก็ไม่พอใจแต่เราต้องทำหวมรู้สึกทำชาชา้าจะอย่าซ่าเกินไปถ้าซ้าเกินไปมันก็ไม่ไดัมันเป็นเพ่งถ้าไวเกินไปหรือเร็วเกินไปมันหลงมัน ล, มนลืมันไปเท่งอยู่หวมคิด ไม่ให้จ่อคนคิดทำสบายสบายมันคิดแล้วก็แล้วไปทำเอาเหมือนแมวกับหมูสมมติเอาหมูอยู่ในรูเมื่อมันออกมาหายใจข้างนอกหรือ ม, มาหากินข้างนอกแมวคอยจ้องอยู่ปากหมูปากรูหมูแต่อย่าให้หมูเห็นพอเดินหมูออกมาแมวมาจับปุ๊บยางแรงหนูซอกตายทันทีเพราะหมูมีกำลัง เพราะแมวมีกำลังหนูไม่มีกำลังแมวมีกำลังเย่างเพราะรู้สึกควมรู้สึกเป็นอาหารของแมวควมไม่รู้สึกนั้นเป็นอาหารของหนูเมื่อหนูเปี๋ยดังอวิชชาคอยลักลอบจอบออกมารวามรู้สึกเป็นแมวไม่ต้องคอยสมมติเอาให้เห็นคนสุดจะิล จะไปไหนมาไหนไม่ต้องแอบองิงใครจะเห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้เมื่อคนสุจริตทำการทำงานพูดคิดไม่เป็นคนโกหกไม่เป็นคนหลอกลวงคนโกหกคนหลอกลวงคนหาจินทางคึจริดไม่อยากให้ใครเห็นแอบไปในทีมืดเหมือนเงนกับหมูนั่นเองสมมุติหลายอย่าง เราขุดน้ำบ่อลงไปไปเจอเออนน้ามันเย็นพอดีน้ำมันเย็นเราก็ขุดลงไปลึกๆเป็นหน้าที่เราจะตักตรมตักเลนออกไปเมื่อตักตรมตักเลนออกไปน้ำนั้นจะใสสะอาดขึ้นมาเองเมื่อคนใดขุดลงไปแล้วเจอน้าตักตรมตักเลนออกเล็กๆน้อยๆพอเอามากินนะเพื่อว่าต้องการเห็นอันนี้อย่าง ไม่บริสุทธิ์เหมือน ก, นกันกับที่เราเห็นคนคิดนั่นเองคิดแล้วมันหยุดบ้างไม่หยุดบ้างถ้าคนขยันตักออกตักออกจนมันหมดน้ําข้างในมันจะออกมาปคนปากบอ่อให้น้ํานั้นล้างตนลล้า ง, างตมล้างเลนออกหลายครั้งหลายผลน้าก็ใสสะอาดเอามาดื่มมากินไม่เป็นโรคเป็นภัย การเห็นความคิดก็เช่นเดียวกันอยากไปติดปีติตำลาและครูบาอาจารย์กล่าวว่าปีติคือความอิ่มใจยินดีพอใจรักใครในอารมณ์แต่เราไม่ต้องรักใครในอารมณ์พอดีมันคิกปุ๊บเห็นภาพมาอยู่ความรู้สึกความรู้สึกเนี่ยทําหน้าที่ของมันจะรู้จะเห็นขึ้นมาโดยญาณของปัญญา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 อาการรวมเปลี่ยนแปลงเพราะจิตใจมันนึกคิดมันก็เป็นมรรคกำลังรู้กำลังเห็นก็เป็นปรมัตถ์หรือมันสลายหายไปก็เป็นอาการเช่นต้นไม้ภูเขาห้วยหนองของบึงเสื้อผ้าทั้งหมดเลยเรารู้จักสมมติอย่างนี้เลยเมื่อรู้จักอันนี้เข้าใจอันนี้เ็รู้เห็นเข้าใจสัมผัสโศสะโมหะ โละเมื่อโทสะโมหะโลภโทกทำลายไปด้วยความรู้สึกด้วยปัญญาญาณเวทนาก็ไม่ทุกข์สัญญาก็ไม่ทุกข์สังขารก็ไม่ทุกข์วิญญาณก็ไม่ทุกข์อันนี้เรียกว่าขันสี่เมื่อรู้ลู้นะเรียกว่าขันห้าลูกขันห้าลูกขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันวิญญาณไปวารู้ อันนั้นรู้เบื้องต้นรู้ต่อมาเมื่อรู้ว่ตถุเป็นรู้ขั้นที่สองตัวนี้เป็นปีติจึงไม่ให้พอใจในปีติรู้เมื่อเมตนาไม่ทุกสัญญาไม่ทุกสังขารไมทุกวิญญาณในทุกอันนี้เรียกว่รู้สี่แต่ไม่ใช่ตาเนื้อห็นตาปัญญาเห็นแจ้งรู้จริงตามครมเป็นจริง ที่พระคุธจะท่านสอนเอาไว้มีแล้วในคนทุกคนไม่ยกเว้นจะเป็นคนไทยก็มีคนจีนก็มีคนฝรั่งเศสก็มีคนอังกฤษก็มีคนอเมริกาก็มีคนคะมรคนยวนคนลาวมีทุกศาสตทุกภาษาทุกเพศทุกวัยเด็กผู้ใหญ่มีทั้งนั้นเด็กก็โกรธเป็นผู้ใหญ่ก็โกรธเป็นคนมุมคนสาวก็โกรธเป็น คนเฒ่าคนแก่ก็โกรธเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็โกรธเป็นคนไทยคนจีนคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนเยอรมันทุกชาติทุกภาษาโกรธเป็นทท้งนั้นดังนั้นพระพุทธสอนให้คนรู้จักระงับดับทุกข์ไม่ใช่ว่าไปสงบนิ่งไม่ได้นั้นแต่ความสงบมันเป็นผลอยได้คือสงบจากโทสะสงบจากโมหะสงบจากโลภะพราะ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 เมื่อ450ปีใครจะจดจำได้สมมุติเอาพ่อเราสอนเราแม่เราสอนเราเกิดขึ้นมาในระยะ10ปี20ปีถามหรือจักใจขอม พ, พ่อแม่สอนไม่ได้อันนี้พระพุทธตายไปแล้ว450ปีชิดระยะสุวคนมีกี่สุวคนแล้วก็พระองค์ได้ตัดไว้ในหนังสือกลามสูตรบอกว่า พระองค์ตัดไว้ในหนังสือกลธรมสูตรบอกว่าอย่าเชื่อถือสิ่พ่อโดยเขาพูดตามกันมาอย่าเชื่อถือเห็นว่าเขาเล่าลือกันมาอย่าเชื่อถือโดยเห็นว่าเขาทำตามกันมาอย่าเชื่อถือโดยเห็นว่ามีอยู่ในตำราอย่าเชื่อถือว่าบุคคล ที่พูดที่สอนน่าเสือถือหลายข้อสิบข้อก็าพระองค์ไม่ให้เสื้อไขให้เสื่อในการกระทำของเราเมื่อทำอย่างนี้แหละไม่นานนิดเดียบเกิดข่มรู้ขวมเห็นข่มเข้าใจกิเลสตัณหาอุปาทานขึ้นมากิเลสขึ้นเป็นยางเหนียวมันไม่หยักหลุดมันไม่หยักหล่นมันติดอยู่กับอารมณ์ กังหาคือความอยากมันอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีอุปาทานยึดถือความรู้ความเข้าใจว่ามีตัวมีตนกรรมเป็นผลพลอยได้คือทุกข์ถ้าเรายึดมันก็ทุกข์ถ้าเราไม่ยึดมันก็ไม่ทุกข์อันนี้แหละที่มีในกำลังปฐมฌาน ปูิญิาจารยจัตติญาติอาจารจัตุสต า, าจัตาา จ, จามาตาปฐมมาานมีองค์สามองค์สอง 4, องค์สีองค์ห้าอะไรพูดกันหลายเรื่องนั่นมันเป็นตำรามันดีแล้วตำราแต่เราปฏิบัติให้รูให้เห็นให้เข้าใจเมื่อรู้เห็นสิ่งเหล่านี้กิเลสสมมุติเอาเหมือนกับยางมักขนุนมันติด เมื่อติดแล้วเาเอาน้ํามันก้าหรือน้ํามันดีเซลน้ํามันอะไรก็ตามล้างมันคายไปคนเดียวมันวอมเหนียวมันจะจางไปหรือเหมือนกับติงที่ผมเคยพูดเคยคุยกับเพื่อนปิงมาจับเมื่อแล้วมันดูดกินเลือดเราเอายากับปูลไปสุกน้ําบีบเอาน้ํายากับน้ําปูนให้ลาดเนื้อเราลงไปทูกติงติงมันตัว เพราะเป็นยาพิษกับตัวมันตัวสัญญาตัวรู้ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันกับตัวที่มันกลมลูกของอวิชชาเนี่ยมันไม่รู้เมื่อตัวสัญญาตัวนี้ได้ทําหน้าที่ของมันแล้วมันเริ่มเองปิงเรานําเอาน้ำยากับน้ําปูนราดปิงนปิ่นกหดแข็งตัวเขาตายดังนั้นกิเลสนั้นเจือไม่มีเหนียวขึ้นมาเหมือนนั้หาความอยากก่อ ลดน้อยไปอุปาทานก็ไม่ยึดในถือคําเดียวกันนี่แหละมันเป็นผลพลอยได้คือกรรมหรืออิบากมันก็ไม่ทุกเมื่อเป็นเช่นนี้เดี๋ยไปตรงเอากับศิลเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างหยาบสมาธิเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างกลางปัญญาเป็นเครื่อง ก, กอํ า, ญญากกจัดกิเลสอย่างละเอียดนี่ท่านสอนเอาไว้อย่างนั้นแต่เราไปเรียนตาลานั้นรู้แต่มันยังไม่เข้าใจ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 การประพฤติปฏิบัติหรือการกระทานั้นเป็นหน้าที่ของเธอท่านสอนอย่างนั้นอีกบทหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ว่าสัตทั้งหลายคือเราแต่ถาคตคืออะไรสัตทั้งหลายเหมือนเราแต่ถาคตเหมือนอะไรสัตทั้งหลายเป็นแต่ถาคตเป็นอะไรเราไม่ค่อยรู้เมื่อมาปฏิบัติอย่างนี้มันรู้ เข้าใจความหมายในพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้จึงว่าคือกันกับพระพุทธเจ้าเหมือน ก, นกันกับพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเรียกว่าสาวกุทคะที่เราเคยพูดเคยสอนกันไปสวดปริตะมงคลในบ้านว่ามันเป็นสิริมงคลว่ะพูดตัดฟะรู้ตามพระพุทธเจ้านั้น มีศีลและทิฏฐิเสมอกันอันนี้น่วผู้รู้ตา ม, ตามเห็นตามเป็นสาวกพุท ธ, ธทันว่าอย่างนั้นผู้ตัตะรูตามพระพุทธเจ้ามีศีลมีเหมือนกันมีทิฏฐิมีเหมือนกันมีควมเห็นมีเหมือนกันนี่ว่าตันเตศรศริษยาสิทธิหุ่ตุดเมื่อเดชพระพุทธเจ้านั้นขอความสำเร็จแห่งไตสนะสนะอะวิชาสนะความหลงผิด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 ลูกบัติย์มีสิ่งที่สัมผัสขึ้นภายในจิตใจเดียเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นลูกเป็นนามเป็นนามลูกนลูกนามคือลูกลูกนี่เป็นลูกแต่มองเห็นนามมองไม่เห็นเมื่อมีปัญญาตาใจเลือดตาทิพย์กว่าใดเวทนาเป็นลูกสัญญาเป็นลูกสังขารเป็นลูกวิญญาณเป็นลูกเวทนาก็เป็นนามสัญญาก็เป็นนาม สังขารก็เป็นนามวิญญาณก็เป็นนามที่ว่านามลูกอันมี้หลักสนะนี้ตกอยู่ในปรมาตเมื่อกลัวจกักศินสิลเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างหาเพราะโทสะโมหะโลภถูก ท, ทําลายไปแล้วจางไปแล้กกิเลสตัณหาอุปทานจางหายไปแล้วสินจึงปรากฏเมื่อศินปรากฏขึ้นมาแล้วเรียกว่า ทำลายกิเลสอย่างยางก็ต้องรู้ว่าเนี่ยกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างกลางคืออารมณ์เราดีใจเสียใจชอบข่มสงบอย่างนั้นอย่างนี้สงบแบบไม่รู้เรียกว่าสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสงบแบบปัญญาเห็นแจ้งรู้จริงคนจึงชอบนั่งข่มสงบแต่ไม่เข้าใจว่าข่มสงบนั้นมันเป็นผลถอยได้เพราะปัญญา ไม่ใช่สงบนั่งเงียบๆตัวของผมตัวของอาตมาพูดนี่อาตมากลาพูดและกล้าท้าทายได้เพราะตัวเองได้ทําพุโทโธมาบ้านสัมมา阿拉หังมาบ้านนับหนึ่งสองสามดูลมหายใจอันนี้เคยจะทำมาพอสมควรแต่มันได้ละกลมสงบนั่งไปแล้วหลงหลงต้นลมไปลมปฏิคนสงบ นึกว่าตัวเองสองบจริงๆอันนั้นสงบแบบไม่รู้เหมือนกับอยู่ในถ้ำจกไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังถ้าไม่มีสายก็ตกบ่อตกเหวเจ็บวิธีสงบแบบนั้นเดียววิธีสงบแบบสมถกรรมฐานเป็นอุบายให้สงบจิตสงบใจทันวันอย่างนั้นแต่มันก็จริงในกำนํำลังอันมนอเนี่ยที่มันเป็นอุปสรรค ต่อตัวของผมตัวของอตาตมาเองเี่ยว่าใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้จึงไม่ให้ติดผมสงบไม่ให้ติดปีติอันนี้เนี่ยวิปัจจโนุปกิเล์หรือปีติเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมให้ทำความรู้สึกอยู่เสมอมันคิดให้รู้มันไม่คิดก่อให้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวเมื่อทําอย่างนี้รู้เรื่องสมถะ เรื่องความสงบมันไปคนละเรื่องกันไม่ใช่เป็นเรื่องเดียวกันแต่มันก็ไปเรื่องเดียวกันมาได้แต่มันไม่ใช่เรื่องเดียวกันดังนั้นสมถะกรรมฐานนั้นจึงสงบแบกไม่รู้รู้อย่างไม่รู้รู้อย่างกูรู้ฟังแล้วเข้าใจคนดีปัญญาระดับปัญญาของคนไม่เหมือนกันรู้อย่างไม่รู้ น, นั้นยอดรู้แบกสงบรู้แบกสมถกรรมฐาน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 ได้กระแสะมีได้ต้นทางเดินตามไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเราจะรู้เราจะเห็นเราจะเข้าใจเพราะเรารู้ตามเห็นตามจึงว่าผู้ตัดสู้ตามพระพุทธเจ้ามีศีลและทิฏฐิเสมอการกันเตทัสัะเตสยาสิสิโหนตุด้วยเดชพระพุทธเจ้านั้นขอความสําเร็จแห่งไสสนะสนะได้จริงๆรงเรื่องนี้วัดลองได้ในตำราบอกว่า ผู้ที่จะเลนสติประฐานสีให้ถูกต้องติดต่อกันเหมือนลูกโซ่อย่างนานเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเลวที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันหรือสิบห้าวันมีอนิสงส์องประการท่านว่าอย่างนั้นนอนิสงส์ของมันเป็นพระราหันในปัจจุบันพบนี้ถ้าหากไม่ได้เป็นพระรหันในปัจจุบันพบนี้ก็ต้องเป็นพระอนาคามี แน่นอนที่สุดกันไว้อย่างนั้นแต่สำหรับตัวของผมตัวอาตมาพูดนี้ไม่ต้องมึดถึงว่าพระโสดาพระสัจิธาพาปะนาคาพะละหันไม่ต้องพูดถึงถ้าทำอย่างนี้นะ่ะวิธีที่ทำแบบพลิกมือขึ้นให้รู้สึกควมมือลงให้รู้สึกยกมือไปเอามือมาเบนหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงขวาก้มเงย คิดตาอ้าปากหายใจเข้าหายใจออกให้รู้สึกตัวความนึกความคิดมันเกิดขึ้นหม่ยรู้สึกตัวอย่างนี้รับรองได้ไม่เกินสามปีอย่างนานหนึ่งปีอย่างกลางเก้าสิบวันนักตั้งแตดหนึ่งวันถึงเก้าสิบวันอานิสงไม่ต้องพูดความทุกประเภทที่สงสัยตายแล้วเกิดตายแล้วไปตกนรกตายแล้วไปขึ้นสวรรค์ ทุกสิ่งที่มันมีปัญหาขัดแ ย, งย้งในตัวของเหล่านี้จะถูกทำลายไปพวกนี้จะลดน้อยไปคนที่มีปัญญาสามารถที่จะทำให้หมดได้อันมือเนี่ยเป็นปัญญาของวิปัสสนาถ้าผิดไปจากนี้เดือกเป็นปัญญาขอ ง, งวิปลาสทันวาชนันตอนนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญ พอปัญญากำจัดกิเลสอย่างละเอียดแล้วเข้าขั้นนี้แล้ววันนี้มันต้องเีืไปตามขั้นตอนที่ตานาท่านสอนเอาไว้เลื่อปฐมมาสานทุติยาการจะติยาการจะตุคการ ป, ปัญจามาสานมันเข้ามารูปนี้ไม่ใช่เป็นเรียนตำนานและทรงจําจมาอันนั้นถูกแล้วมันเป็นเปลือกเป็นกะทิเหมือนกับข้าวเปลือกนั่นเอง เราจะกินข้าวเปลือกมันไม่ได้ต้องเอาข้าวเปลือกนั่นแหละแต่ข้าในโรงสีโรงสีจะผัดเป็นข้าวสารออกมาผัดเป็นข้าวสารออกมาแล้วก็มาต้มมาหุงให้เป็นข้าวสุกเอามาต้มมาหุงมานึ่งสุกแล้วกินไม่เป็นพิษถ้ากินข้าวเปลือกมันเป็นพิษข้าวเม็ดดีไส่สีเป็นข้าวที่หนึ่งข้าวเม็ดไม่อ้วนไม่เป็น หักเครื่องหักกลางออกมาเป็นข้าวที่สองข้าวหอมเป็นข้าวที่สามข้าวไม่มีในสีออกมาเป็นข้าวลิ้ไม่มีไนคนที่ทําจริงพูดจริงก็เช่นเดียวกันทําไม่จริงพูดไม่จริงก็เป็นข้าวรีบก็ได้เป็นข้าวหอมก็ได้เป็นข้าวอ้วนไม่พอก็ได้ถ้าคนพูดจริงทําจริงมีใจหนักแน่นทําตามแบบพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเป็นข้าวอ้วนเข้าเต็ม สีออกมาเป็นข้าวที่หนึ่งขายก็ราคาดีเอามากินก็มีรสดีอันนี้เรียกเป็นปัญญากำจัดกิเลสอย่างละเอียดเมื่อทำไปมันเกิดยานปัญญาลู้ยแจ้งเห็นจริงตามควมเป็นจริงแต่เคยพูดให้ฟังมาหลายครั้งหลายหนเรื่องอารมณ์เรื่องปัญญากำจัดกิเลสอย่างละเอียดนี้ตามตำลักตำราท่านว่า พูดกันลัดๆเมื่ออาการเกิดดับนี่เองอาการเกิดดับตัวนี้วะคนเกิดมาร้อยปีถ้าหากยังไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจเมื่อสัมผัสกับเรื่องสภาพดุพาวะชีวิตจิตใจของเรานั่นแหละไม่รู้จักชีวิตจะไปไหนมาไหนมันคิดอะไรไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจคนผู้นั้นเกิดมาร้อยวันพันปี ไม่รู้จักสภาพภาวะอาการเกิดดับอันนี้ชีวิตบุคคล น, นั้นเป็นหมันเป็นโมฆะเพราะมันมีคมทุกข์เกิดมาอยู่ด้วยทุกข์กินด้วยทุกข์นั่งนอนด้วยทุกข์ไปมาด้วยทุกข์ไม่มีประโยชน์อะไรทัานว่นอย่างไรบัดนี้บุคคลเกิดมาเพียงวันเดียวรู้เห็นเข้าใจสัมผัสแนบแน่นสภาพนึกสภาพภาวะอาการเกิดดับของชีวิตนั้นไม่ได้อยู่กับความทุกข์ ไม่ได้ไปด้วยทุกเมื่อววทุกปัญหาต่างๆหมดไปด้ยวยปัญญากําจัดเดยอะๆเลยบุคคลผู้เช่นนี้น่ะเกิดมาเพียงวันเดียวชีวิตมีค่ามีราคามีประโยชน์กว่าบุคคลที่เกิดมาร้อยวันทันปีท่านว่าอย่างนั้นอันคนเกิดมาวันเดียวนั้นทําอะไรไม่ได้อันที่เราฟังเทศฟังธรรมจากสัรบุษบุคคลที่รู้นั่นแหละ เกิดมีความทราบซึ้งเข้าใจแล้วนําไปปฏิบัติอันนั้นแหละบวชมาวันเดียวเนี่อีกบทหนึงท่านว่าคนผู้ที่บวชมาร้อยพันสาร้อยพันสานะอานิสงของการบวชนั้นถ้าหากไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจไม่สัมผัสสภาพหรืสภาวะเรื่องชีวิต จ, จิตใจอาการเกิดดับนี้อานิสง์คุณค่าของการบวชของคนนั้น ไม่มีประโยชน์ไม่คุ้มค่าในการบวชเลยชีวิตของคนนั้นก็เป็นเหมันเป็นโมฆะใช้ประโยชน์ไม่ได้ท่านบอกโมฆะบุรุษถึงว่าอย่างไรใช้ไม่ได้ท้งนบอถ้าจะพูดกับตัวหนังสือที่เคยได้อา่านครูบาอาจารย์เคยสอนว่าดาบบมกในจีวรภิกษุลามกสันดานนกกาหมาที่เลื้อน มือเปี้ยมขี้ลูกนอกคอกผู้อยู่นอกบันตีปาซาผีดิบน้ำติกาลาล่างเท้าไม่ใช่คนของเราพิสูแก้คนแหวกแมวโมฆะบุรุษใส้ไม่ได้เนี่ยท่านว่าจย่างนั้นจืออยากเป็นข้าวหอมเข้าแห้งอยากเป็นข้าวรีกให้เป็นข้าวมีไนท่นว่บุคคลที่บวชมาเทียงวันเดียวรู้เห็นเข้าใจทราบซึ่งสภาพภาวะอาการเกิดดับอันนี้แหละ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 เราเอาเมือไปแตะกับโคกงอ้นมันมันขาว ท, ทันทีแต่เนื้อเด็ดน้อยมันแดงพอดีเราเอาเมือไปแตะมันจี้จางเขาทันทีเลยมันเป็นยังไงพอดีเราเอามือออกมันกระดงเข้าไปนึกเปรียบอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับที่เรามีดพากลับถูกเนื้อเรามันขาดเนื้อมันซึ่งออกมาที่ปากบาดอันนี้พอดีถูกมีดพานเนื้อหนังเราถูกแล้วตัดเข้าไป เลือดมันจะกลับคืนทั้งหมดเลยมันจะไม่มาออกฝากบาทเลยอันนี้หลยเพราะมันขาดออกจากกันไม่มีทางที่จะติดต่อกันได้อีกหลายครั้งหลายหนเคยพูดให้ฟังเรามีเสื้อในลอนไปพูกต้นนั้นเสานั้นหนึ่งต้นเอาไปพูกเอาเ้นไม่ไปพูกเสานนหนึ่งตัดตรงกลางเลยดึงตงึตงตงตงัดตรงกลางเสื้อนั้นมันจะ ดึงไปติดกับเสาต้นนั้นท้านทางนั้นทางนี้ก็จะมาติดกับเสาท้นนทางนี้ดึงเข้าหากันไม่ถึงเลยอันมือแหละที่มันขาดออกจากกันมันมีประโยชน์คุณค่ามากที่สุดการทําวมรู้สึกตัวนี่อานิสงมันมากผิดการที่ว่ารู้อย่างผู้รู้รู้อย่างผู้ไม่รู้มันรู้อย่างนี้รู้แล้วไม่สงสัยไม่ค่องแหวะ สิ่งที่ขัดแด้งในใจไม่มีสิ่งที่ขัดขวางเป็นอุปสรรคขึ้นไม่มีเพราะไม่มีทุกย่อมะอยู่เหนือทุกกินเหนือทุกนั่งนอนเหนือทุกไปมาเหนือทุกความทุกข์จึงตามไม่ทันสมมติแต่ก่อนเราอยู่ป่าดงลึกๆมีสัตว์ลายมีเสือมีตะขาบแมงป่องมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง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 อันตรายจะตามเราไม่ได้อันนี้เนี่ยปัญญากําจัดกิเลสอย่างละเอียดเมื่อเราค้นภัยจากอันตรายเหล่านั้นเราจะภูมิใจยินดีในความรู้ความเห็นความเป็นความมีของเราเพราะเราค้นภัยเราเกิดมาในชีวิตนี้ไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นอย่างนี้เพราะมันกลับคืนไปหมดแล้วอยากไปดีใจอย่างไ น, น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 ทำนามทำโลกโลกนามโลกจนให้มันถึงว่าบาปบุญภากต้นก็ให้รู้จักภาคที่สองเรื่องวัตถุปธตรมก็ให้รู้จักโทสะโมหะเวทนาเหล่านี้ให้รู้จักแล้วก็ภาคต่อมากิเลสตัณหาอุปาทานก็ให้รู้จักเห็นชัดอย่างนั้นแล้วก็จิตปรากบขึ้นมาสมถะกรรมฐานเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นให้รู้จักควงสงบอย่างนั้น